ไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นเจ็ดคนของคณะติดตามโขงช้างผีสิงก็รับไปจากสายตาเฝ้าจับมองของเชษฐาถาล่มไอ้แหว่งยังไม่ได้พรานใหญ่คงไม่หวนกลับมาแคมป์อีกแล้วครับบุญคำพึมพำขึ้นเบาๆฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเชษฐาตอบขุ่มๆฝนเมื่อคืนทำให้พื้นชุ่มและลื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนทางรา ช, ชันของยอดเนินอันเป็นตาแหน่งตั้งค่าย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 สูงจากระดับพื้นประมาณ7ฟุตครับอย่างใจเย็นสยด้วยยังกำมันจะอ่านใจเราถูกว่าถึงอย่างไรเสียเราคงไม่ลงมาไปเชิญหน้ากับมันในตอนนั้นแน่ดาดินใช้ํำกล้องไรเฟิลสอยเศษโครนจากต้นหลุมพอลงมาก้อนหนึ่งหยิบขึ้นมาพิจารณาแล้วส่งให้ท้าพินคุณคิดอะไรอย่างชั้นหรือเปล่าคิดอะไรครับโครนก้อนหนาๆที่ติดอยู่กับตัวของมันเหล่านี้ เวลามันมาเสียสีหรือพิงกับต้นไม้โคลนจึงปรากฏติดต้นไม้อยู่พวกมันจะต้องพอกเอาอโกคลนอาบไว้เต็มตัวทีเดียวไม่งานคงไม่ทิ้งติดต้นไม้ไว้ให้เราเห็นอย่างนี้พรานใหญ่ลืมตาโพงขึ้นในบัตรนั้นเหมือนจะเฉลียวคิดอะไรขึ้นมาได้แต่ชายยานงงเพราะไม่เข้าใจคำพูดของนักมนุษยวิทยาสาวหันมาจ้องหน้าพูดยังไงกันน้อยก็โคลนติดตัวมันอยู่นะสิมันถึงได้ติดอยู่กับต้นไม้ที่มันพิง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 ชายยันเม้มปากเริ่มจะฉุกคิดระพินอึ้งอยู่เป็นครู่ใหญ่ก้มลงพิจารณาเศษคโครนก้อนนั้นอีกครั้งแล้วสกตาหญิงสาวก็พอดีกับที่อดีตนายทหารปืนใหญ่ถามมาโดยเรยว่าจริงของน้อยหลักฐานจากรอยโคนที่เราเห็นอยู่มันพอจะทำให้เรารู้ได้แน่นอนว่ามันมาจากที่ไหนก่อนที่จะมาถึงที่นี่เป็นระยะเวลาสดสดร้อนๆอนที่ไม่ห่างมานักนี่เองแต่พิจาราการตามที่คุณบอกไว้แต่แรก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 นั่นก็แปลว่ามันจะต้องออกมาจากขบหมาหอนแล้วและปรากฏรอยให้เราเห็นว่าเดินย้อนกลับสามสวันที่เราไปงมอยู่ที่ขานางนั่นแหละครับจะต้องเป็นระยะที่มันหลบเ ข, เข้าไปในหุบโดยเราหลงรอยมันเสือตามไม่เจอผมเพิ่งจะมานึกออกตอนที่คุณหญิงพูดถึงเรื่องโครนนี่เองเกิดเสยและจันพากันครางฮึมขึ้นหันไปมองดูหน้ากันเองจันก็เสริมขึ้นมาว่าใช่แล้วครับนาย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 มันรู้เคสเสียแล้วว่าถ้ามันหลบเข้าหุบหมาหอนเราจะไม่มีวันสาวรอยมันได้ดาดินกล่าวขึ้นอย่างมั่นใจตลอดเวลาที่ทุกคนปรึกษาหาลือและผัดกันออกความเห็นมีแง่ทายคนเดียวเท่านั้นที่นิ่งซึมอยู่ในอาการเงียบงันไม่ปิดปากคำใดทั้งสิ้นนอกจากก้มๆเงยๆตรวจ ด, ดูตามพื้นและที่ระดับโคนไม้รอบด้านด้วยอาการเยือกเย็น อีกไม่นานนักเราคงรู้ชัดว่ามันนำเราไปที่เขานางอีกหรือเปล่าออกเดินเถอะครับถ้ามันไม่เปลี่ยนทิศทางเราจะไปถึงเขานางในราวบ่ายนี้พร้อมกับบอกโลพินำออกเดินต่อดาดินผิวปากแหลมยาวเป็นสัญญาณเรียกแง่สายผู้แยกจากคณะเดินตรวจรอยห่างออกไปทางดงลวกตอนหนึ่งพรางโบกมือให้เข้ามารวมกลุ่มระยะห่างประมาณ100หนึ่รอในหมู่ไม้ที่ขึ้นบังทึบเห็นกัน ร, รับรับร่อนั้น คนใช้ชาวดวงของหล่อนยิม้มเห็นฟันขาวสว่างโรคมาแล้วก็หายแว บ, บไปในพงเอ๊ะ e, แง่ซ า, ายแยกหายไปไหนน่ะหล่อนร้องออกมาเบาๆอยยังสงสัยเกิดผู้เดินเคียงอยู่ ใ, ใกล้ๆหลอนก็ตอบมาว่าไม่ต้องห่วงหรอกครับนายหญิงปะเดี๋ยวมันตามมาทันเองดาดินยังไม่ไาวกังวลหล่อนเหลียวซ้ายแลกขวาและหันกลับไปมองดูทางเบื้องหลังอยู่ระเยๆเพื่อจะมองหาแง่ซ า, าย แต่แล้วก็ถอนใจออกมาอย่างร่องอกเพราะจริงดังเช่นที่เกิดบอกไว้พอรับโค้งทางด่านริมจอมปลวกใหญ่ทุกคนก็มองเห็นร่างต่างงานของหนุ่มกระเลียงพเนจรประกฏยืนดักที่ทางอยู่ก่อนแล้วและเดินตามหลังปิดท้ายขาบวนมาเช่นที่เคยปฏิบัติผ่านหุบออกสู่ทุ่งตัดเข้าไปในป่าระมาอแล้วก็เลียบชายทุ่งไปอีกรอยที่ร่วงหน้าไปก่อนเหล่านั้น ห่างประมาณสามสี่ชั่วโมงโดยการตามของฝ่ายมนุษย์ซึ่งแกะไปทุกระยะตลอดทางที่ผ่านทั้งป่าและทุ่งเงียบสงบปราศจากร่องรอยสัตว์อื่นใดทั้งสิน้นนอกจากนกเล็กๆและสัตว์เรยคานบางประเภทจงอางขนาดเท่าหน้าแข้งตัวหนึ่งฉกฉวัดชูคอขึ้นสูงโผล่พ้นต้นกอตะไคร้น้ำเตียเต้ยๆขณะที่ผ่านแหล่งน้าซับกลางหุบตอนหนึ่งทาเอาทุกคนต้องหยุดยืนกั้นดมหายใจอยู่กับที่ โชคดีที่มันอยู่ในระยะห่างและก็ไม่คิดที่จะพุ่งเข้ามาทําร้ายภายหลังจากสายหัวสังเกตท่าทีจากฝ่ายมนุษย์อยู่อึดใจใหญ่จนแน่ใจว่าจะไม่มีพิษมีภัยใดๆกับมันแล้วเจ้ามัจุราช์ลายลุกหวายตัวนั้นก็ลดหัวลงเลือ้อยหายรับเข้าไปในหมู่โขถหินอย่างรวดเร็วแดดทําท่าจะแรงเมื่อเวลาสามโมงเช้าพอสี่โมงเศษเศษฟ้าก็าสรัวลงอีกด้วยเมฆฝนลมที่สงบเริ่มพัดแรง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 แล้วส่งคืนไปให้แง่สายสัพายไว้ตามเดิมสองสามชั่วโมงที่สาวรอยมันมานี่พอจะบอกได้หรือยังว่ามันบ่ายหน้าไปทางเขานางอีกหรือเปล่าหล่อนถามพรางกรใสัยตาไปรอบด้านเห็นจะไม่มีปัญหาหรอกครับขณะนี้เราใกล้เขานางเข้ามาเต็มทีแล้วข้ามเขาเตี้ยๆลูกนั้นก็จะถึงป่าทึบอันติดต่อกับบริเวณเขานางแล้วพรานใหญ่บุยป่าไปทางเนินเขาด้านซ้ายมืออันมีเมฆฝนรอยต่าปกคลุมอยู่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 ชายยันจุ ป, ปากล้านโครงหัวนี่ยังไงล่ะจำเลย อ, อยู่นี่เองดีที่รัพินจับหลักฐานได้ขนังคาเขาไม่งั้นก็คงเป็นเรื่องลึกลับอยู่นั่นเองว่ากลิ่นโอดีคโรนมันมาจากไหนแต่ให้ทายเถอะผู้กองจมูกคุณดีเหลือเกินผมยืนอยู่ใกล้ๆเนาะ ย, ยังไม่ได้ แ, แค่คลายอะไรเลยจมูกผมยังไม่ได้แค่หนึ่งในร้อยของไอแ้แหวงหรือสัตว์ป่าทุกชนิดเป็นคําตอบเรียบๆจากจอมพรานแล้วหันมาทางหม่อมราชวงหญิงตาตินยิ้มให้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 ผสมกับน้ำในกระติกแล้วรูปตามใบหน้าและลำคอเพื่อดับกลิ่นน้ำหอมจากกระดาษเช็ดหน้าที่อาจเหลือติดค้างอยู่ให้หมดสิ้นไปแล้วผินมองดูยิ้มยิ้มนึกชมในความชราดไว้พิบแก้ไขสถานการณ์ของรอนแต่ชา ย, ยาญสะกิดแขนทำหน้าขึงขังสับยอกมาว่าตายแล้วน้อยมาเรื่องอะไรถึงเอาใบตำแยมาทาหน้าประเดี๋ยวริคันตายเท่านั้นทาไมไม่ถามเสียก่อนดารินตกใจ หันไปพิจารณาดูใบไม้ที่หล่อนรูดมาอีกครั้งแล้วจ้องหน้าเพื่อนชายบ้าชา ย, ยันใครบอกเธอว่าใบตําแยอ้าวก็บอกอยู่นี่ยังไงล่ะไม่เชื่อถามรพินดูก็ได้หล่อนหันขวักไปทางพรานใหญ่ทันทีเห็นรพินกัดริมฝีปากกลั้นหัวเราะก็เหวี่ยงกําปั้นทุบลงไปกลางหลังเพื่อนชายอย่ามาทําหลอกหน่อยเลยไม่สําเร็จหรอกรู้ไว้เสียด้วยว่าวิชาพฤกษศาสตร์ฉันก็เรียนเหมือนกัน พอจะดูออกบอกว่าใบาไม้ชนิดไหนเป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือไม่เห็นเป็นเด็กอมมือไปแล้วหรื อ, อยังไงหลอกได้หลอกเอาชายยันแยกเคี้ยวหลังแอ่คลางอูกมื อ, อยังกระงวงไอแหวงน้อยนี่ก็ไม่รู้นี่ว่าคุณหมอเรียนวิชาพฤกษศาสตร์ด้วยเห็นวิชาสัตวศาสตร์แย่มากตะแข้ออกลูกเป็นตัวช้างออกลูกเป็นไข่ก็นึกว่าจะหลอกได้นะสิเมื่อไหร่เธอจะมาเป็นคนไข้ของฉันอีกสักครั้งนะ ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเฟ่ยแล้วกันซีไงแช่งกันอย่างนั้นเพื่อนชายร้องรัน่นดารินหัวเราะหืมหืมองไปทางรถปีนผู้กลั้นหัวรเราะกึกกอยู่ลาวล่ะคิดจะต้มฉันด้วยหรือเปล่าเปล่าครับผมไม่ได้พูดอะไรสักคาดีแล้วหล่อนว่ายิ้มมุมปากอย่าไปเข้าวพัวเป็นปีเป็นคุยกับคนไม่ดีอย่างชา ย, ยันนะไม่งั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรขึ้นมาจะพึ่งหมอคนที่ชื่อดารินไม่ได้ เล่นอาฆาตกันแบบนี้ทีเดียวหรือชายยันบนหน้ายู่ยี่ดารินยักคิ้วให้รู้ไว้ได้่วงหน้าเลยอย่าพลาดก็แล้วกันขอยาจากฉันเมื่อไหร่เป็นโดนดินไม่กระชัยใส่ยันไนเมื่อ น, นั้นเพื่อนชายตาเลฝนเริ่มโปรยเป็นระอองเมื่อต่างผ่านป่ารั่วเข้าสู่บริเวณซอกเขาซึ่งป่าเริ่มทึบขึ้นทุกขณะอากาศขมุกขมัวทั้ ง, ท, ง, ท, งที่เป็นเวลาเที่ยงวัน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 แต่นรอยขุ่นครากมีตะกอ ร, รอยคว้างอยู่มีหนซ้ํายอดหญ้าที่มันย่ําผ่านไปซึ่งเอ็นราบลู่ยับลงกับพื้นขณะนี้เพิ่งจะค่อยๆชูยอดขึ้นมาสเก็ดน้ำและโคนซึ่งกระเซ็นอยู่รอบๆยังใหม่หรือเกินแง่าสรายเงยหน้าขึ้นสบตาระพินผู้บาดนี้ยืนเบิกตาโพรงจ้องร่องรอยเหล่านั้นอยู่โดยไม่ได้เอ่ยคําใดกันทั้งสิ้นพรานของเขาทั้งสามปาดตรงเข้าไปที่กองมูลใหม่ๆกองหนึ่งกอบขึ้นมาขยี้ในมือ แล้วเพ่นกลับมาที่รพินกระซิบระรัมรักขี้ของมันยังอุ่นอยู่เลยนายชายยันกับดารินผู้ไม่เข้าใจอาการของบุคคลเหล่านั้นนักหันไปจ้องพรานใหญ่เหมือนจะถามก็เห็นดวงตาสีเด็กคู่นั้นเป็นประกายไอ้แหว่งผ่านตรงนี้ไปเมื่อไม่เกิน15นาทีมานี้เองเขากะซิบเบาที่สุดประโยคที่ผ่านเข้าหูทาให้หัวใจของชยยันและดารินเต้นแรง ชายยานผู้กำลังฆ่าบุรีอยู่ทิ้งลงกับพื้นและขยี้ดับโดยเร็วก <s> um> ็แปลว่าเราก็ชั้นหลังมันมาติดๆนะสีมารู้ตัวหรือเปล่านี่พลานใหญ่ใช้สายตาสำรวจดูหลักฐานร่องรอยนั้นอีกครั้งเม้มริมฟฝีปากแน่นสังเกตดูพวกมันไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยเดินกันไปตามสบายมันคงจะไปหยุดอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งจนกระทั่งพวกเรากระชั้นระยะใกล้เข้ามาจึงเริ่มออกเดินต่อ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 เสียงข้างฝูงใหญ่ส่งเสียงคิกคอกอยู่บนยอดไม้ทึบห่างออกไปทางปา่าถล่มด้านขวามือได้ยินมาแววแววโดยไม่เอ่ยคำพูดใดกันอีกเลยนอกจากภาษาใบทั้งหมดภายใต้การนำของรพินข้ามปากห้วยขึ้นสู่ฝ้าตรงข้ามแล้วเคลื่อนไปอย่างเบากริบราวกับเงาของปีศาจปีศาจ ท, ทุกส่วนขมเขม็งเกลียวตื่นพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับสถานการณ์ร้ายอันรอคอยอยู่เบื้องหน้า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 แล้วก็หันมาทางชา ย, ยันกับดารินพูดแบบไม่มีเสียงโดยให้จับใจความได้จากการขยับของริมฝีปากและภายหลังจากโต้ตอบในวิธีเดียวกันอยู่อีกครู่เดียวทั้งดารินและชา ย, ยันก็เข้าใจแผนทั้งหมดทั้งหมด7คนแบ่งออกเป็นสมสายสายที่1มีแง่สายชายยันและเกิดสามคนจะแยกอ้อมไปทางด้านซ้ายโดยยึดลาห้วยลึกตายโอบขึ้นไปสายที่สองเสยและจัน คืขึ้นไปแนวตรงโดยคารฝ่าดงผากเข้าไปส่วนสายที่สามรพินและดารินอ้อมขึ้นไปทางด้านขวาเลาะลัดไปตามชายเนินการยิงจะเป็นไปโดยอิสระสุดแล้วแต่ใครจะเห็นเป้าหมายก่อนแต่เป้าหมายแรกที่สุดควรจะเป็นไอแ้แหวงจาง่าโขงสักซ้อมนัดแนบเป็นที่เข้าใจดีแล้วทั้งสามฝ่ายก็ย่องกลิบแยกพระจากกันบ่ายหน้าไปตามทิศทางที่กาหนดก่อนจากชา ย, ยันบีบมือรพินแน่น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 ก้าวยาวๆออกจากที่ไปราวกับเงาผีดาลินจรดเท้าตามรอยเขาติดไปทุกระยะตต่ขึ้นเนินเลาะไปตามไหลอันลกทึบไปด้วยน้ำพุงดอและต้นเสมาจากนั้นก็แทกตัวประหนึ่งสัตว์เรื้อคานรอดเข้าไปตามซุ้มเถาวันที่ปกคลุมแน่นทึบจนแทบจะไม่มีแสงสว่างรอดเข้ามาได้ใช้สอกและข่าวคืบนากายรุดหน้าไปอย่างแช่มช้าหล่อนตามเขาอย่างแคล่วคล่องว่องไวในทุกกษณะ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 เพียบพร้อมไปด้วยซับสรึงคานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หรือที่มาลากปืนหมอบคลานฝากขวากน้ําอยู่เคียงข้างเขาในขณะนี้เลือดเนื้ออันหน่าทนุถนอมที่มาเกลือกกลั่วอยู่กับน้ำนํำในทุลีดินจนหมองคล้ำกล่าเกลียมหัวใจของเธอประกอบขึ้นด้วยธาตุอันใดและจะมีผู้หญิงอย่างเธออยู่ในโรคนี้สักกี่คนชั่วขณะหนึ่งที่เขานอนหมอบหยุดรอ จนกระทั่งดาลินคืบกายด้วยสอขึ้นมาพังภาพอยู่เคียงข้างตลอดกายของหล่อนเปียกชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อราวกับอาบน้ำและหยาดเหงื่อเกาะพราวอยู่ที่ขนตาซึ่งบัดนี้กระพริบจ้องนาเขาเหมือนจะถามถึงแผนคืบหน้าต่อไปเศษใบไม้และผงทุรีตลอดจนรอยขีดข่วนเต็มไปหมดทั้งสองแก้มอันแดงปรังไหล่ตะไลเบียดกระทบกันอย่าเมื่อเคียงคู่กันอยู่เช่นนี้